หนจุ 1> 1. ธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้า 1. ธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้าในวงเล็บปัปปันจะทำมีสอย่างคือวงเล็บหนึ่งตัณหาความทยานอยากเป็นกิเลสซึ่งสติจะเกิดร่วมกับกิเลสไม่ได้วงเล็บสองมานะคือความถือตัวว่ากูเก่งกว่าหรือเท่าเทียมกันหรือต่ําต้อยกว่าทําให้เรียนอะไรใหม่ไม่ได้วงเล็บสทิฏฐิคือเป็นเจ้าความคิดความเห็น คิดมากเห็นผิดสองยี่สิสอง 22. มีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบเอ็ดมันยากมากที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแล้วเดินอยู่ในทางนี่ยากมากเพราะเราไม่รู้ว่าเส้นทางนี้มันอยู่ที่ไหนเราชอบลูบๆูคลำคลำชอบเดาเอาเองหรือไม่ก็เชื่อตามตามกันมา เชื่อว่าทำความสงบมากๆแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นทีหลังมันคนละเรื่องกันนะทำความสงบก็เหมือนนอนมากๆนะคนนอนมากๆมันไม่รวยหรอกทำความสงบมากมันก็ไม่เกิดปัญญาเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้มันก็ไปไม่รอดสิถ้าวางความยึดความถือในความเห็นอันเดิมเสียฟังหลวงพ่อฟังเล่นๆไปจนรู้หลักของการที่เราจะเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้สึกว่าจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิ กับจิต ท, ที่หลงไปกับอารมณ์เป็นมิจฉาสมาธิมันทําไม่เหมือนกันถ้าได้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราขึ้นสู่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วยากที่คนคนหนึ่งจะขึ้นสู่เส้นทางนี้เพราะเราถูกสิ่งอื่นปิดกั้นเอาไว้มากมายสิ่งแรกเลยที่ปิดกั้นคือในเครื่องหมายคําพูดกามวันหนึ่งวันหนึ่งหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องหาความสุขความสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินไปอะไรอย่างนี้มัวเมาประมาท เอาไว้แก่ๆแล้วค่อยภาวนาแก่แล้วจะภาวนาอย่างไรต้องฝึกตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะแก่แล้วภาวนายากนะเพราะจิตใจมันเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ําปล่อยให้มันไหลลงที่ต่าเสียมากแล้วจะทดขึ้นยอดเขาไม่ใช่ง่ายนะเพราะฉะนั้นรีบฝึกให้เร็วๆการ ม, มันจะมาถ่วงเราให้หาความสนุกเพลิดเพลินไปพวกหนึ่งไม่ติดในกามก็ติดในเครื่องหมายคาพูดทิฏฐิ ติดในความคิดความเห็นของตัวเองต้องอย่างนี้ถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะถูกเนี่ยต้องกำหนดจิตในความว่างจิตจะได้เห็นนิพพานหรือต้องคิดพิจารณากายจิตถึงจะละกามได้นี่ทิฐิทั้งสิ้นเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคิดเอาเองเพราะฉะนั้นกามกับทิฐิเป็นตัวกั้นเราอย่างสำคัญเลยอีกตัวหนึ่งก็คือในเครื่องหมายคาพูดมานะมีมานะกูแน่แล้วกูก็รู้หมดแล้ว ถกูรู้จริงกูคงบรรลุมรรคผลนิพพานไปนานแล้วนี่กูยังดิ้นกระเดกกระเดกอยู่นะยังทุกอยู่มันจะวิเศษตรงไหนล่ะอีกพวกหนึ่งไม่คิดว่ากูเก่งแต่คิดว่ากูแย่หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูขาดกำลังใจหนูมันโง่โง่จริงๆแหละคิดอย่างนั้นก็โง่สิมันคิดล้างผลาญตัวเองมันคิดให้ทอถอยใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไม่สามารถมาเรียนรู้เส้นทางที่ถูกต้องได้กิเลสกามมันก็ลากเราให้เพลินอยู่กับโลก ความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ทําให้เราไม่สามารถเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าได้คิดเอาเองมีมานะก็ใจมันฟูบ้างใจมันแฟบบ้างไม่สนใจที่จะมาเรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนฉะนั้นถ้าเราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนะฟังหลวงพ่อด้วยใจที่เปิดกว้างคนที่ฟังหลวงพ่อด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วตื่นขึ้นมามีเป็นพันแล้วหลวงพ่อกล้าพูดเลยนะว่าคนที่เรียนกับหลวงพ่อไม่นานหรอกถ้าไม่ดื้อนะถ้าดื้อติดอันดับก็นานหน่อย 3 8 ม, มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที29ตั้งอกตั้งใจศึกษาไปนะเพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเส้นทางนี้สั้นนิดเดียวพระพุทธเจ้าถึงบอกพระอนุรุท ธ, ธะว่าพระธรรมในธรรมวินัยของท่านเป็นธรรมะแห่งความไม่เนิ่นช้าถ้าทา ม, มาหลายปีแล้วเหมือนเดิมล้มลุกคลุกคลานเหมือนเดิมวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่าน วันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนี้ไม่ถูกแน่ๆ แ, แต่ถ้าทำถูกแม้เพียงหนึ่งเดือน2เดือนสเดือนก็ต้องเห็นผลต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้ศีล ส, สมบูรณ์ขึ้นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามมากขึ้นเพราะฉะนั้นรู้กายรู้ใจเอานะ อย่าลืมตัวอย่าหลงไปอย่าเผลอไปแล้วก็อย่าเที่ยวเอาแต่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเราไม่เผลอเลื่อนลอยไปและไม่เพ่งกายเพ่งใจเราก็จะเดินสู่เส้นทางสายกลางรู้กายตรงตามความเป็นจริงรู้จิตตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าทําสติปัฏฐานนี้เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางสายที่สองให้เลือก